เรื่องเล่าผีหลอนตอนผีวัดโพแตงใต้วัดโพแตงใต้อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวัดที่มีความเก่าแก่มากวัดหนึ่งของจังหวัดอยุธยาในสมัยก่อนวัดแห่งนี้มีกิติศัพท์ในเรื่องของผีดุขนาดพระเนน ย, ยังไม่กล้าจำพรรษา รายละเอียดเกี่ยวกับวัดโพแตงใต้ผมได้ข้อมูลเบื้องต้นมาเพียงว่าเป็นวัดเก่าแก่แต่ไม่รู้ว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใดและใครเป็นผู้สร้างบางคนก็สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแต่บางคนก็บอกว่าไม่ใช่น่าจะเป็นสมัยรัตนโกสินทร์มากกว่าเอาเป็นว่า วัดโพแตงใต้สร้างมานานก็แล้วกันวัดโพแตงใต้มีพระเกจิดังอยู่รูปหนึ่งซึ่งชาวบ้านทั่วไปให้ความเลื่อมใสและศรัทธาท่านมากพระเกจิรูปนั้นคือหลวงพ่อสดธรรมวโรท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสของวัดโพแตงใต้แต่บางคนเรียกท่านว่าหลวงพ่อปูสดตาทิพย์เหตุที่เรียกท่านเช่นนั้น ก็เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีญาณพิเศษสามารถลวงรู้เหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างน่าอัศจรรย์ตอนนั้นยอมรับว่างงพอสมควรเพราะไม่รู้ว่าวัดโพแตงใต้อยู่ที่ใดจะเดินทางไปถึงวัดได้อย่างไรแต่ผมก็ยังโชคดีที่บังเอิญน้องหมวยพนักงานคอมของผมเธอเป็นคนอายุทยา และเธอมีบ้านอยู่ข้างๆวัดโพแตงใต้พอดีเรื่องที่ว่ายากมันก็เลยกลายเป็นเรื่องง่ายการเดินทางจากกรุงเทพมาที่วัดโพแตงใต้ใช้เวลาราวชั่วโมงเดียวเมื่อมาถึงวัดน้องหมวยก็ได้พาผมไปที่บ้านญาติคนหนึ่งซึ่งมีศัก์เป็นลุงแท้ๆของเธอมีชื่อว่าลุงบุญช่วยสุขสาขา แม้ว่าจะมีอายุ80ปีเสร็จแต่ทว่าสุขภาพร่างกายก็ยังดูแข็งแรงดีมีคนบอกว่าที่วัดโพแตงใต้ผีดุเรื่องนี้เป็นความจริงหรือเปล่าครับลุงเมื่อผมได้ถามคำถามนี้คุณลุงก็มองหน้าผมแล้วหัวเราะแล้วพูดว่าผีที่วัดโพแตงใต้น่ะบอกว่าดุเฉยๆไม่ได้ ต้องบอกว่าดุมากถึงจะถูกคำตอบของคุณลุงบุญช่วยทำให้ผมมีความรู้สึกหนาวสะท้านขึ้นมาทันทีคนอายุปูนนี้แล้วผมมีความเชื่อมั่นว่าคงจะไม่กุเรื่องหรือเป็นพวกปั้นน้ำเป็นตัวอย่างแน่นอนผมก็ถามต่อไปว่าเออคุณลุงเคยเจอกับตัวเองบ้างหรือเปล่าครับ คุณลุงก็พยักหน้าช้าๆแทนคำตอบซึ่งมันก็เป็นการเพียงพอแล้วสำหรับผมตามธรรมเนียมของคนต่างจังหวัดแม้ว่าจะไม่มีความคุ้นเคยกันมาก่อนก็ตามแต่เมื่อแขกมาถึงบ้านเจ้าของบ้านก็จะต้องให้การต้อนรับจัดหาข้าวปลาอาหารมาให้กินซึ่งทำให้ผมประหยัดค่าอาหารมื้อกลางวันไปมื้อหนึ่ง แล้วคุณลุงบุญช่วยท่านได้พาผมไปที่วัดซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบ้านของแกเท่าใดนักเอ อ, เ อ, อขึ้นไปไหว้หลวงปู่สดเสียก่อนแล้วลุงจะเล่าให้ฟังว่าผีที่วัดโพแตงตายเนี่ยมันเฮี้ยนขนาดไหนนะที่บนศาลาการประเรียนของวัดมีรูปหล่อของหลวงปูส่สดแต่ด้านหลังของรูปหล่อมีสังขารของหลวงปูส่สดนอนอยู่ในโลงแก้ว พอไหวรูปรอของหลวงปู่เสร็จก็ควรจะไปดูร่างของท่านที่อยู่ในโรงด้วยนะเออไม่ต้องดูก็ได้มั้งครับลุงผมพูดอย่างเสียวๆโอ้เอาเธอะน้าไปดูสักหน่อยทันละสังขารมานานหลายปีแล้วแต่เป็นเรื่องประหลาดที่เนื้อหนังมังสาของท่านไม่เน่าเปื่อยแถมฟันและเส้นผมก็งอกยาวขึ้นเรื่อย หากว่าสังขารของหลวงปูส่สดไม่ได้ฉีดยาปรากฏการที่เกิดขึ้นก็ต้องนับว่าเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากทีเดียวจากนั้นคุณลุงบุญช่วยก็พาผมเดินมาที่ศาลาแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ข้างๆศาลาการประเรียนโอ้นั่นเป็นศาลของเจ้าแมวรำพึงแต่ก่อนมีกิจศัพท์ในเรื่องความเฮียนขนาดกลางวันแสกๆนะ ยังมีอุ้มลูกเดินออกมาพระเนนอยู่ไม่เป็นสุขตอนนั้นลุงยังเป็นเด็กหนุ่มวัยกําลังซาพอรู้ว่าที่นี่ผีดุก็เลยชวนพวกเพื่อนๆมาลองของเอามุ้งมันนอนหน้าซานกับพวกเพื่อนๆเออแล้วคุณลุงเจออะไรหรือเปล่าครับก็เจอเต็มๆเลยล่ะสิตอนนั้นเราเล่าดีหนึ่งลุงกําลังเคลิมเคิ้มชวนจะหลับอยู่ล่ะ ก็มีเสียงคนเดินที่หัวนอนเข้าใจว่าจะเป็นพวกเด็กวัดคงจะมาแกล้งทำผีหลอกลงอะตอนนั้นรอจังหวะให้มันเดินมาไกลๆในมือก็เตรียมอีดาบยาวเท่าแขนไว้แล้วกะว่าจะฟันมันให้หัวแบะพอเสียงเดินมาหยุดที่หัวนอนลงก็ลุกผวดขึ้นมาและตลบมุงเง้อดาบสุดแขนเลยละ่ะแล้วก็ฟันทันทีเลยใช่ไหมครับ ก็แทบช็อกนาทีพอลุงเปิดมุ้งก็เจอจะาจ่าเต็มตราผู้หญิงผมยาวหน้าบวมชึงมันก็ศพเราดีๆนี่เองลหละลุงพยายามรวบร้อมสติแล้วพูดด้วยเสียงดังๆว่ามึงจะลองดีกับกูอย่างนั้นใช่ไหมอีผีบาลุงเห็นมันทําท่าจะโผล่เข้ามาบีบคอลุงลุงก็เลยตัดสินใจฟันมันที่คอสุดแรง แล้วถูกเต็มๆเลยใช่ไหมครับลุงก็เหมือนเราฟันอากาศฟันลมมานะแรงทิ้วอย่างดาบทําให้เราเสียหลักทลาล้มลงไม่เป็นทา่าเสียงเออะทําให้พวกเพื่อนๆของลุงตื่นขึ้นมาหมาในวัดนะ่ะมันหอนกันเครียวเลยนะเพื่อนของลุงบอกว่าเห็นลุงฟันอะไรวืดวาดแต่มองไม่เห็นว่าฟันอะไรลุงก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พวกมันฟัง พอเล่าจบเพื่อนคนหนึ่งก็ทำท่าตกใจอ่ะแล้วชี้ไปที่เมนเผาศพคนอื่นก็มองตามไปด้วยนะเออแล้วเขาเห็นอะไรครับลุงก็ผีผู้หญิงตัวเดิมน่ะแหละแต่ตอนนี้มันขึ้นไปนั่งอุ้มลูกอยู่บนเมนเผาศพนะ่ะตอนนั้นก็ถอดใจใจไม่เอาอีกแล้วอะ่ะลุงกับเพื่อนๆ น, นอนจับไข้กันอยู่หลายวันเลยละ่ะพ่อแม่ ก็ต้องพาไปรถน้ำมนที่วัดและไปขอขมาเจ้าแม่รำพึงที่ได้ล่วงเกินลบลูอาการของลุงกับพวกเพื่อนเือนก็ดีขึ้นมาเป็นลำดับนะจากนั้นก็ไม่เคยคิดจะลองดีอีกเลยชาวบ้านที่เป็นคนเก่าคนแก่เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนนั้นวัดโพแตงใต้ก็มีความสุขสงบไม่มีเรื่องผีเรื่องสาง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 หากมีอะไรเกิดขึ้นตาผลจะรับผิดชอบเองขนาดหลวงพ่อมาห้ามแกก็ยังไม่เชื่อเลยจำได้ว่าเผาศพตอนเย็นคืนนั้นผีก็เฮี้ยนทันทีพระรูปหนึ่งลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกก็ถูกผีตายท้องกลมหลอกจนหมดสติจากนั้นพระที่จำพรรษาในวัดก็เริ่มศึกออกไป วัดมีพระเหลืออยู่เพียงไม่กี่รูปแทบจะเป็นวัดร้างแล้วลุงผลแกบอกว่าจะรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อตาผลรู้เรื่องก็บอกว่าจะจับมาถ่วงน้ำขณะที่แกนั่งเรือมาตามแม่น้ำก็ปรากฏว่าเรือเกิดล่มแกเป็นคนว่ายน้ำแข็งแต่ก็ไม่มีใครพบศพของแกทำให้เดากันว่า แกจมน้ำตายแล้วแต่มีคนพูดกันว่าแกถูกจระเข้ฆ่าไปกินแล้วเพราะตอนที่เรือล่มมีคนเห็นว่าจระเข้ตัวใหญ่หนุนเรือของแกผีของแม่รำพึงมาสงบเพราะหลวงปู่สดตอนที่ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดตอนนั้นผีของนางรำพึงกําลังขนอง ท่านทำพิธีกรรมสวดส่งวิญญาณอยู่คืนหนึ่งจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นการปรากฏตัวของผีนางรำพึงอีกเลยท่านเป็นพระที่มีวิชาอาคมสูงมากท่านมีตาทิพย์และท่านยังดูดวงได้อย่างแม่นยำอีกด้วยหากท่านทำนายว่าไอคนนี้จะต้องตายโหงในเจ็ดวันหากไม่รีบมาสะดอะเคราะห์รับรองไม่เกินเจ็ดวัน